สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเปรซูตอนที่สี่ร้อยห้าสิบสามเรื่องผลของพระวิญญาณและของประทานของพระวิญญาณตอนที่หกในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะสรุปเรื่องของพระวิญญาณบริผลของพระวิญญาณบริสุทธ์นะครับซึ่งได้ตั้งข้อสังเกตไว้หรือประเด็นต่างๆไม่ที่น่าสนใจอยู่สามประการด้วยกัน บทเรียนจากสามประการนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมขอเนี่ยทบทวนนะครับเริ่มต้นนั้นได้แยกจําแนกคุณลักษณะเก้าประการของผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีสามบวกสามวกสามสามแรกก็คือของพระเจ้าครับสามที่สองก็คือผลที่มีต่อชีวิตของคนอื่นสามที่สามก็คือผล ของพุทธิยมีสุดที่เกี่ยวข้องกับตัวเองพี่น้องคับพอเราพูดถึงผลของพุทธอยามีสุดเราพูดถึงคุณลักษณะหรือนิสัยที่ดีอุปนิสัยที่ดีงามที่หลายหลคนก็รู้สึกอยากจะได้ใครก็ตามที่เป็นลูกของพระเจ้านั้นเขาคิวกระหายความชอบธรรมอยากจะมีชีวิตแบบนี้ครับและใครก็ตามที่เป็นลูกของพระเจ้าก็จะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้ากับความชอบธรรมของพระองค์ก่อน พราะฉะนั้นจึงได้มีคำพูดที่ว่าเราปรารถนาอย่างจริงที่เราจะมีผลของพยานบริสุทธิ์และเกิดผลของไม่ญานบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับขอพี่น้องได้ตั้งใจฟังผมจะสรุปเรื่องบทเรียนของผลของพยานบริสุทธิ์ครับสามประการประการแรกครับเนื่องจากการที่เราจะต้องมีชีวิตเหมือนพระเยซูคริส สิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นอย่างเนื้อธรรมชาติด้วยฤทธิดเดชิทธานุภาพของพิมพิญญาณโดยสุดเราตอบสนองด้วยการถ่อมใจและด้วยการเชื่อฟังถ่อมใจที่จะยอมรับว่าเราไม่สามารถเกิดผลนี้ได้หากปรจากฤทธิดเดชของพระวิญญาณยอมรับว่าเราไม่สามารถเกิดผลนี้ได้ด้วยตัวเราเองครับเพราะตัวเราเองนั้นเดิมนั้นเนื้อหนังของเราเป็นเนื้อหนังที่ใฝ่ต่ํา เป็นเนื้หนที่เป็นธาตุของความบาปเรายังต้องมีความเชื่อว่าพระเจ้าสามารถเกิดผลสามารถทําให้เกิดผลในชีวิตของเรารเปเยซูสอนครับว่าให้เราเข้าสนิทอยู่ในพระองค์และพระองค์จะเข้าสนิทอยู่ในเราแล ะ, ะแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดอยู่กับเแถาชั้นใดเปเยซูบอกว่า ท่นทั้งหลายจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้นอันนั้นปรากฏอยู่ในยอห์นบทที่สิบห้าข้อสี่พี่น้องครับชีวิตความมรยสุดนั้นเริ่มต้นจากความหมดหวังที่จะพึ่งตัวเองยอมรับวิจเกต ท, ที่จะหลั่งไหลเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเหมือนดังในพระคัมภีร์อักขะตเปาโลได้บอกว่าเหตุฉะ น, นั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคดผู้นั้นจะต้องเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่า ก็ล่วงไปนี่เนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นขอให้เราอย่าไวใ้ใจในเนื้อหนังของเราเพราะว่าเรารู้ครับว่าเนื้อหนังของเราไม่มีอะไรดีเลยแต่ถ้าไม่มีพื้นฐานสำคัญนี้ก็จะไม่พึ่งพาพึ่งพิงพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นเหมือนพระเยซูบทเรียนแรกของเราก็คือยอมรับในวิสเดชของพระเจ้า ผ่อมใจที่จะเกิดผลผ่อมใจที่จะยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราประการที่สองครับเนื่องจากการเป็นเหมือนพระครตนั้นเป็นการเติบโตอย่างเป็นไปตามธรรมชาติภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องกวดขันชีวิตของเราครับเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมต่างๆนั้นเหมาะสะเราจะต้องปรับเปลี่ยน ชีวิตของเราและสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยร่วมในชีวิตของเราเราจะต้องขยันเราจะต้องกวดขันเราจะต้องสร้างนิสัยนิสัยในการคิดในการใช้ชีวิตอย่าไปเอานิสัยของคอมฟอโซนในเนยเฉยเฉยในเรื่องของพระเจ้าเข้ามาใช้อย่าเอาความรู้สึกไม่เป็นไร เกี่ยวกับจะต้องมีวินัยในการเข้าเฝ้าพระเจ้ามาใช้เราจะต้องให้เกิดการพัฒนาของการเติบโตตามธรรมชาติภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมมันทะนุบำรุงสภาพแวดล้อมต่างๆมันที่จะหาตัวช่วยตัวเสริมให้ชีวิตของเราเจริเติบโตพี่น้องครับฝากพี่น้องฟังชีวิตพระเยซู สี่ร้อยห้าสิบกว่าตอนที่ผ่านมาผมเชื่อแน่ว่าเราจะต้องเติบโตรครับผมเองนั้นเมื่อทำแรกๆไม่ได้คิดว่าจะทำได้นานขนาดนี้ครับแต่ด้วยการยอมรับการทรงนำของพระเจ้าด้วยการกวดขันด้วยการสแสวงหาอย่างมีระเบียบวินัยผมก็สามารถที่จะอยู่กับพี่น้องได้ ตั้งสี่ร้อยห้าสิบกว่าต่อแล้วและไม่เพียงแต่เท่านั้นครับก่อนชีวิตพระเยซูเนี่ยก็ยังมีพระธรรมปัญญาจารย์ก็ยังมีหัวข้อเรื่องของสาวกชีวิตสาวกและมีหัวข้อหลายๆหัวข้อก่อนหน้านั้นเพียงครับการเจริญเสริอโตย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังมเมล็ดพันธุ์ที่เราจะหว่าน เราไม่เตรียมที่นาพวนดินสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้เติบโตประการสุดท้ายครับเนื่องจากการเติบโตนั้นมันเป็นไปอย่างช้าๆเราต้องอดทนเทียนรอคอยเราจะต้องเป็นคริสเตียนที่มีน้ําอดน้ํำทนครับเรยว่าเทียนรอคอยอดทนคือใจเย็น ชาวสวนชาวนาทุกคนนั้นมีชีวิตที่อยู่กับพื้นแผ่นดินเขารู้ว่าต้องคอยครับเปล่าประโยชน์ที่จะไปเร่งให้มันเกิดผลเพราะมันเป็นไปไม่ได้และมันทำให้ผลที่เกิดนั้นเสียหายเปล่าประโยชน์ที่เราจะพยายามเปลี่ยนฤดูกาลหรือกฎเกณฑ์ของการเจริญเติบโตที่พระเจ้าตั้งขึ้นมาเราดูนะครับ การปลูกพืช GMO ที่มีปัญหายุ่ทุกวันนี้เพราะอะไรครับเรากำลังฝืนธรรมชาติยากอบได้เขียนไว้นะครับว่าจงดูชาวนารอคอยผลอันล้ำค่าที่ได้จากแผ่นดินเพียรคอยจนกระทั่งมีฝนต้นฤดูฝนชุกปลายฤดูท่านยากอบกำลังหนุนใจเราเหมือนกับฮัคคัตูดเปาโลครับกำลังหนุนใจเราให้เราเพียรอดทนรอคอยรอคอยชีวิตที่ดีขึ้นรอคอยการช่วยเหลือจากพระเจ้า รอคอยให้ผลมันดําเนินไปและสุขงอมในขณะที่รอคอยนั้นเราก็ต้องฝึกวินัยชีวิตของเราครับในการรอคอยเราจะต้องภาคเทียนอดทนรอคอยผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราได้เห็นแล้วนะครับว่าเราจะเป็นต้องเตรียมสภาพแบบละร้อมต่างๆให้เหมาะเจาะแล้วเราก็ตั้งหน้าตั้งตาคอยครับเราต้องมุ่งหวังให้พระองค์ที่จะให้ชีวิตของเราเติบโตเต็มที่จนวาระของการเก็บเกี่ยว มาถึงพี่น้องที่รักคุณลักษณะคริสเตียนแท้ในชีวิตก็เป็นอย่างนี้ครับและในที่สุดเราจะเหมือนพระเยซูไปเรื่อยๆไปเรื่อยในลําดับต่อไปทั้งหน้าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างทองแท้และเพื่อที่เราจะนําไปปฏิบัติได้ในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเกี่ยวกับเรื่องของของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอบระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะเติบโตฝ่ายวิญญาณและเราจะมีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์อามน